1.16 ่งจุดหคำพีมหายานก็มีดีเหมือนกันวงเล็บเปิดหนึ่งสีมีนาคม2551หเในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดเมื่อวานมีพระจีนนะท่านเคยแปลพระสูตรซึ่งน่าอ่านเหมือนกันชื่อมหาไวยปุรยยะสมบูรณนะโพธิอัฏฐะคำพีนี้สอนเรื่องว่าทั้งกายและจิตนี้เป็นภาพมายาถ้ารู้ลงมาในกายนี้เห็นกายนี้เป็นแค่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแล้วเกิดเป็นภาพลวงตา คือขนผมเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกสอนดีนะให้เรียนรู้ลงมาในกายในจิตจนเพิกเอามายาออกไปมายาเป็นความเห็นผิดความหลงผิด ก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วไม่มีตัวตนสอนหน้าฟังเขาก็มีดีเหมือนกันมิน่าท่านถึงบอกว่าหลวงพ่อสอนเหมือนมหายานหลวงพ่อก็เคยอ่านคัำพีดีๆของเขามีหลายเล่มท่านเปรียบเทียบคล้ายๆกับเพชรเพชรสักเม็ดหนึ่งเพชรไม่มีสีแต่เรามองเห็นแล้วมีแสงหลายสีเห็นเป็นสีรุ้งสีอะไรนี่ก็เป็นภาพลวงตาตัวมันจริงๆไม่มีสีสิ่งที่เรียกว่าตัวเราจริงๆก็ไม่มีเป็นแค่ภาพลวงตา ถ้ารู้ถันภาพลวงตาเพิกมายาออกไปก็จะเห็นสิ่งซึ่งไม่ใช่มายาสิ่งซึ่งพ้นจากมายาพ้นจากความปรุงแต่งไปเห็นนิพพานนั่นเองวงเล็บเปิดถ้าพูดอย่างของเราวงเล็บปิดของเขาก็คือเห็นพุทธะเห็นพระพุทธเจ้าจำนวนโวหารที่แตกต่างกันไม่ใช่สาระสําคัญตัวสาระสําคัญคือเนื้อหาคําสอนใดๆถ้าสอนให้เราย้อนมารู้กายรู้ใจจนเห็นตัวจริงของมันไม่ใช่ภาพลวงตาของมัน คำสอนนั้นก็ใช้ได้ตัวจริงของร่างกายนี้จริงๆเป็นแค่วัตถุธาตุนามาทำทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่อาศัยการกระทบกันเกิดขึ้นมาเป็นคราวๆอย่างตาเห็นรูปก็เกิดวิญญาณทางตาเกิดจิตขึ้นทางตาอาศัยวัตถุกระทบกันนะเกิดจิตได้อาศัยใจตรึกใจคิดเกิดวิญญาณทางใจอาศัยกันเกิดขึ้นมาฉะนั้นสิ่งที่เรารู้สึกเป็นจิตของเราหรือเป็นตัวของเรานี่จริงๆแล้วก็เป็นภาพลวงตา เนื้อแท้ของเขาก็เป็นรูปธรรมบ้างนามธรรมาบ้างอาศัยกันเกิดขึ้นมาเป็นคราวๆแล้วก็ดับสลายไปถ้าผู้ใดภาวนาจนเพิกเอาความเห็นผิดว่ามีตั ว, ม, ตวมีตนออกไปได้ก็เข้าถึงธรรมะแ ท, แท้เข้าถึงความเป็นพุทธะคือเป็นพระโสดาสกิทาคาขึ้นไปทำไมเรียกพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีพระอรหันต์ว่าเป็นพุทธะเหมือนกัน ความจริงก็เป็นพุทธะเหมือนกันแต่เขาเรียกว่าอนุพุทธะอย่างพระพุทธเจ้าตรัสรู้เองแล้วสอนเนี่ยเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้เองแต่ไม่ได้สอนใครเรียกว่าปัจเจกพุทธะพวกเราผู้รู้ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าอนุพุทธะก็เป็นพุทธะนั่นเองจิตนั้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาที่นี้เราค่อยๆสังเกตลงในกายในใจจนเพิกมายา เพื่อความเห็นผิดออกไปได้ให้คอยรู้สึกอยู่ที่กายคอยรู้สึกอยู่ที่ใจเนืองๆรู้สึกไปเรื่อยว่าจริงๆกายเป็นอย่างไรจิตเป็นอย่างไรให้รู้สึกรู้ตามที่เขาเป็นจริงๆไม่ใช่ดัดแปลงวงเล็บเปิด2 7มีนาคม2551ในวงเล็บสองจุดจุดนาที1วงเล็บปิดคำพีของมหายานชื่อมหาวัยปุรยะสมปูรณะโพธิอัฏฐะเนื้อหาสาระมันก็เหมือนกับ ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่แหละของเขาก็มีเหมือนกันนะพูดว่าจริงๆตัวตนไม่มีหรอกเราไปสร้างตัวตนขึ้นมาถ้าเมื่อใดเรามีสติรู้ลงไปเห็นร่างกายเป็นวัตถุธาตุเห็นกายเป็นก้อนธาตุใจก็เป็นมายาคือมันปรุงแต่งของมันไปนเรื่อยไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงก็จะเข้าไปสู่ความบริสุทธิ์ของเขาก็ดีเหมือนกันนะไม่น่าห่ะ พระจีนองนี้ถึงบอกว่าหลวงพ่อสอนเหมือนกับมหายานเปี๊ยบเลยที่แท้มหายานเหมือนกับเราตังหากเนาะเพราะเทรวาสเกิดก่อนมหายานเกิดภายหลังแต่ว่าเนื้อหาสารธรรมแท้ๆเขาก็รักษาเอาไว้ได้เหมือนกันมีเหมือนกันไม่น่าละ่ะเขาก็มีพระอริยะเขาก็สอนให้รู้กายไปเห็นกายไม่ใช่ตัวเราเห็นกายเป็นวัตถุธาตุธาตุทั้งหลายก็สลายตัวไป ใจซึ่งมาครองธาตุนี้เหมือนภาพลวงตาเหมือนดอกไม้ในอากาศเหมือนแสงแห่งรัตนชาติแสงของเพชรของพลอยเนี่ยว่าเพชรพลอยนี่มีสีเขียวสีแดงสีเหลืองอะไรต่ออะไรเนี่ยทั้งๆที่ตัวมันไม่ได้มีสีมันเป็นภาพลวงตาที่สร้างขึ้นมาแล้วคิดว่ามีอยู่จริงๆกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่ภาพลวงตาที่สร้างขึ้นมา ถ้าผู้ใดเข้าถึงความเป็นจริงอันนี้ก็ถึงความบริสุทธิ์ไร้ขอบเขตกว้างขวางสอนดีเหมือนกันฉะนั้นธรรมะจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าธรรมนั้นใครพูดหรอกถ้าธรรมะของแท้ของจริงมันก็ลงกันหมด